ธรรมะมของพระพุทธเจ้ามีใช่เรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันแต่คุณธรรมอันวิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดียิ่งแล้วจริงยิ่งแล้ว ซึ่งเพียงแต่ลึกล้ําเกินคนคิดเท่านั้นทว่าเป็นความเป็นไปได้จริงๆในยุคที่ถึงขั้นต้องเป็นไปได้เพราะเป็นสว่ากขาตะธรรมคือพระธรรมอนันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นความจริงจริงไม่มีวันผิดซึ่งเป็นสันทิศสิโกอาคาลิโกเอหิปาสิโกโอปัญญิโก ปัจจัตตางเวที่ตับโพวินโูหิแน่นอนที่สุดสันทิศทิโกคือคนผู้เอาตนเองเข้ามาปฏิบัติจริงกับสังคมอาริยะอากาลิโกคือคุณวิเศษนี้เกิดในคนในสังคมได้ไม่จำกัดกาละได เอหิปัสิโกคือมีความเป็นไปได้ที่เชิญมาดูมาเห็นกันเลยมาพิสูจน์ได้ทั้งที่เป็นส่วนตนแต่ละคนทั้งที่เป็นชุมชนสังคมกลุ่มหมู่อันเป็นได้ถึงขั้นหมดสิน้นความเป็นท่าทางของโลกและเป็นได้ถึงขั้นหมดสิ้นความเป็นท่าตนเอง ที่เป็นคนที่ไม่ทำเพื่อตนเองอัตาจึงมีแต่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนเพื่อผู้อื่นอย่างสุขสงบที่พิสูจน์ได้แม้ในกาละที่เสื่อมหนักเช่นยุคนี้จึงไม่ใช่เพียงธรรมะที่เป็นคุณวิเศษในความเพอ้อฝนันเพอ้อเจอ้าเท่านั้นมีให้ดูได้แท้ โอปัญิโกคือเป็นของสูงที่ควรโน้มน้อมเอามาใส่ใจใส่ตนให้ได้ปัจจดตางเวทิตับโพวินยูหิคือวินยูชนจะรู้เฉพาะตนผู้อื่นไม่พอรู้ตามเห็นตามได้ง่ายเหมือนผู้ลิ้มรสเองจะรู้รสนั้นเอง เพราะคำตรัสที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นเป็นสวาคาตธรรมทั้งหนั้นแท้จริงจึงเกิดสังคมมนุษย์สารานิยธรรมหกอย่างเป็นจริงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เชิญให้มาดูแม้ในโลกยุคนี้พศสอ5 8นี้ได้ว่าเกิดได้จริงเป็นได้จริง ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยกิเลสร้ายกิเลสแรงกันในสังคมจัดจ้านแท้ๆนี้แล